ไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยวัยวิธีต่างๆตลอดไปไข้ขกําเริร่มรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะทําบันดาลข้อสุดจะฆ่าถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะไข้กําเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆระลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นได้ทีหนึ่ง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 ยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบําเพ็ญให้ฟังเป็นระยะระยะก็ยิ่งเพิ่มกําลังใจมากขึ้นเราขับจะาหอเหิร์นเดินเมฆบนอากาศได้ประกฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสัมฤทแต่เวลาไปทําความเพียรเข้าจริงๆให้สมขับใจที่จะเหะรออยู่ขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งโลกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งหน้าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้บีพบ